เทศในที่ประชุมพระวันที่สิบสิงหาคมสองพันหห้าณวัดป่าบ้านตากอุดรธานีพระพุทธเจ้าท่านกระเด็จออกบวชหาสถานที่ยิเวศเป็นจิตเบิ่งตนของพระองค์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 พระดียาบททั้งสี่ของพระองค์เป็นไปด้วยความสงัดทั้งนั้นแม้ขณะที่พระองค์เจ้าจะตรัสรู้ก็ปรากฏว่าในตรัสรู้ในที่สงับณเวลาอันสงดเรียกว่าปัดขิมมายาม เป็นยามที่สงัดอย่างยิ่งบรรดาสาวกทั้งหลายที่พระองค์เจ้าได้ทรงสั่งสอนก็ดำเนินตามแนวทางของพระองค์เจ้าจนกระทั่งได้ตรัสรู้มีความอยู่สงัด ขีสงัดทั้งทางกายสงัดทั้งทางวาจาสงัดทั้งทางใจกายก็ไม่มีการคุกขีกับมูชนท้งคดเลบันตะคิดด้วยกัน ต่างองค์ก็ต่างหาที่สังกัดทิเวศวาจาในเมื่อไม่มีเกี่ยวกับฟูงชนหรือหมู่เพื่อนแล้วก็ไม่เป็นของจำเป็นที่จะต้องใช้จิตเมื่อไม่มีสิ่งเกี่ยวข้อง ก็ยอมจะมีความสงบลงได้เลยเพราะเหนั้นกาญจวิเวศจึงเป็นบาดฐานที่จะทำให้จิตได้รับความสงบได้เป็นอย่างดีองสมเด็จพระภูมิพระภ้าเจ้าท่านได้ทรงดำเนินมาอย่างนั้น ตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสนใจกับผงผุงชนใดๆแม่ที่สุดเวลาพระองค์เจ้าได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 หรือมีความชอบในความสงัดประจทนิสัยของพระองค์แม้ได้ตรัะรู้แล้วก็ตรงทาหน้าที่ในความเป็นพระพุทธทเจ้าเพราะอย่างนั้นความสงัดทีเลก จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสําหรับท่านผู้มีความมุ่งต่อสันติธรรมที่พระ อ, องค์เจ้าทรงประส ง, เ, สงเรื่องความสงัดวิเวศนี้มีหลายชั้นสงัดอยู่ตามธรรมดาเช่นอย่างเราอยู่ในวัดนี้ก็เป็นความสงัดอย่างความสงัดที่อยู่ในที่เปลีป่ยว ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายอันเป็นเหตุให้มีความระแวงภายในจิตใจให้เกิดความกลัวความหวาดเสียวอย่างนี้จัดว่าเป็นความสะัดอีกประเภทหนึ่งในบรรดาของความสะัดทั้งหลายเราอยู่ด้วยกันหลายคนหรือหลายองค์แม้จะไม่มีการพูดการจา ต่างคนต่างอยู่บนกุฏิหรืออยู่ในที่ของใครของเราอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นกายวิเวกได้เหมือนกันแต่เป็นกายวิเวกชั้นยากกายวิเวกชั้นที่ละเอียดเข้าไปกว่า น, นี้ได้แะ่อยู่ในที่วิเวกเช่นนี้ด้วย และเป็นสถานที่เปลี่ยวน่ากลัวด้วยมีจัดว่าเป็นความวิเวกชั้นละเอียดเข้าไปกว่าความวิเวกเบื้องต้นที่เก่าแล้วเพราะางนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ให้อนุาสาร์จรึงสอน ถึงความสั่งหัหรือความวิเวทเป็นสิ่งสำคัญแต่บรรดาสาวกทั้งหลายเราจะเห็นได้เวลาที่เราอยู่ในที่วิเวทธรรมดาอย่างนี้ที่เกี่ยวกับอยู่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนและเราจากสถานที่นี้ไปสู่สถานที่ตัวเกี่ยวและอยู่องคดเดียวด้วยความรู้สึกของเรา จะรู้สึกว่าแปรกว่าที่เราอยู่ในสถานที่เช่นนี้ไปอีกมากพ้าอยู่ในที่เช่นนี้แม่จะมีความวิเวกสังัดก็ตามแต่ใจที่ไม่มีความกลัวไม่ระวังภัยอะไรก็เป็นเหตุที่ให้ใจมีความนอนใจหรือประมาทโดยไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่สถานที่สงังข์วิเวก และเป็นสถ า, านที่เปลียวน่ากลัวด้วยแล้วนั่นแหละความระวังภัทยทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในใจผู้ที่มีความมุ่งต่ออัตต่อธรรมจริงๆแล้วสติก็จะต้องตั้งขึ้นในขณะนั้นตั้งขึ้นไว้กับจิตของตนเองน้อมทิงพระรัตนตรัยคือพระพุทธทเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ เข้าแห่งแนบสนิทติดกับใจของตนเองจริงๆเพราะเหตุใดก็เพราะว่าเรามีที่พึ่งเฉพาะพระพุทธไตรจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นหลักแห่งใจของเราเมื่อจิตมีความกลัวเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งจะน้อมเข้าถึงพระพุทธเตรจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือน้อมเอาพระพุทธเตรจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าไว้ที่ใจของเรา ความทั้งเถอก็มีจํานวนน้อยเพราะหากว่าเผลอไปเสียในขณะนั้นถูกเวลามีอันตรายเกิดขึ้นภายในตัวบกของเราก็เป็นเหตุที่จะให้เสียถีจิตจะพลาดจากกติไปเสียทีก็เป็นเหตุจะให้เสียในขณะนั้นเพราะเห็นนั้นท่านผู้ที่อยู่ในสถานที่เปรี่ยวๆจึงเป็นผู้ที่ตั้งสติ ได้ยิตแทบจะพูดได้ว่าตลอดเวลามีในขั้นของจิตที่เป็นขั้นหยาบคือจิตที่ยังไม่ก้าวเข้าสู่ความสงบได้เลยก็จะก้าวเข้าสู่ความสงบได้ในเวลาหรือในสถานที่เช่นนั้นแต่จิตผู้ที่มีสมาธิหรือมีความสงบได้บ้างแล้วก็ยิ่งจะมีความละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีก ถ้า จ, จิตผู้ที่กล้าออกทางปัญญาก็จะเป็นเหตุให้มีความคล่องแคล่วในการพิจิตรเจรนาในสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบด้านทั้งภายในตัวของเราและนอกไปจากตัวของเราได้อย่างสบายอีกเช่นเดียวกันเพราะเห็นนั้นความสงัดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสมณะของเราผู้มุ่งหน้าปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์สำหรับเราจริงๆเราอยู่ในป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าที่เปีือเปรียวซึ่งเป็นที่น่ากลัวเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้าในซอกเขาซึ่งมีอันตรายมากยิ่งกว่าสถานที่ธรรมดา และเป็นเหตุให้ระวังภัยอยู่ทั้งจัางวันกลางคืนไว้แล้วสถานที่เช่นนั้นแหละผู้ที่มีความมุ่งประสงค์ต่อธรรมะจริงๆและเป็นผู้ที่มีความกระหารสละเพื่อความเป็นความตายต่อพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระผูมีพรภาคเจ้าจริงๆแล้วสถานที่เช่นนั้นแล และผู้เช่นนั้นแลจะเป็นไปทั้งทางด้านแห่งความสงบทงั้งทางด้านปัญญาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแนวทางแห่งทงสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงํำเนินมา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 และเป็นเหตุให้เสียคนเพราะสถานที่เช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยอนนี้เราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าลูกศิษย์ของพระสาวกของพระพุทธทเจ้าและลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้มีความเกล้าหารเราจะเป็นผู้เช่นไรในขณะนี้เราทุกๆท่าน ได้คาดเครื่องรบไว้เต็มตัวของเราบริหารทั้งแปดนี้คือเครื่องรบของนักรบภายในใจเทียจะฝ่ารบกับตนของตนเองที่เลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนเองเป็นข้าติดต่อตนเองบริหารทั้งหมดให้เราทราบว่าเป็นบริหารของท่านผู้กระหาน เป็นบริขารของท่านผู้ที่มีความเพียกรกล้าเป็นบริหารของท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรคือพระพุทธเจ้าของเรายกตัวอย่างใกล้ๆบาทเป็นบาทของท่านผู้ประหารฮีวรสะบงในบริขารทั้งแปดเป็นบริขารของท่านผู้ประหาร ท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยไม่ใช่เป็นบริหารของท่านผู้เกียรคร้านให้เราทั้งหลายถึงทราบไว้อย่างนี้บริหารทั้งหมดนี้เราได้ครองไว้แล้วทุกๆ ท, ท่านโดยสมบูรณ์เราต้องสํำนึกตัวของเราเสมอว่าเพศนี้เป็นเพศที่มีความรุดหน้าด้วยความเพียรไม่ท้อถอย บำเพ็นตนของตนด้วยความมีสติมีความภาคความเพียรดีตลอดเวลาเห็นภัยซึ่งเกิดขึ้นภายในตนเองอยู่เสมอนี่แหละที่ว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสมกับได้ทรงบริฐารซึ่งเป็นมรรคบุคที่ตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมาถึงตัวของเรา จึงควรเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติจูทตลอดเวลาการฝึกขัดสติได้เคยอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบหลายครั้งหลายหัแแนวตั้งอย่างไดจรึงเรียกว่าตั้งสติ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 สิงมัวหมองหรือต้นเหตุได้แจกสังขารคือความคิดความตึงของใจเมื่อตาเป็นต้นได้เกิดทบสิ่งทั้งหลายมีรูปเป็นต้นจะต้องสัมผัสเข้าไปรับรู้ที่ใจถ่าใจไม่มีสติแล้วนั่นแหละกิเลส จ, จะเกิดขึ้นในขณะที่สิ่งทั้งหลายเข้ามาสัมผัส ถ้าเป็นผู้มีสติแล้วจะรู้ทันทีว่าอะไรที่มาสัมผัสในจิตใจของเรานี่อือํานาจของสติจะทําให้รู้สึกตัวว่ากระเพือนกับสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกอย่างไรถ้าไม่มีสติแล้ววันย่างค่าคืนย่างลุ่มจะไม่เห็นเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่ก็จะมาตําหนิตัวของตัวว่าวันนี้จิตรุมร้อนจิตไม่มีความสุก ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรร้อนทั้งกลางวันกลางคืนนี่คือตัวผลเกิดขึ้นมาจากตัวเหตุที่จิตได้สัมผัสกับสิ่งใดเท่าแล้วตนไม่มีสติจึงไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นภัยจ่จิตใจของตนแต่เมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือความรุ่มร้อนทุ้งเฟอภายในจิตใจ แล้วเราจงจะมาตําหนิตัวผลนั้นมันเป็นไปไม่ได้แก่ต้องแก้ที่ต้นเหตุครื่องของความสัมผัสเหตุที่จะให้รู้เรื่องความสัมผัสก็เนื่องจากตนเป็นผู้มีสติถ้าไม่มีสติแล้วอย่างไรก็กระสังสมความรุ่มร้อนขึ้นทั้งวันทั้งคืนคนไม่ไหวก่อ เทียบกันได้ในส่วนสกดนากายเหมือนอย่างโรคภัยที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเมื่อทนไม่ไหวร่างกายก็ต้องแตกทีเมื่อกิเลสมันลุมเข้าทั้งวันทั้งคืนโดยที่เราเปิดช่องเปิดโอกาสให้เปิดประตูให้กิเลสในด้านพวานภายในทั้งหกคือเปิดทั้งด้านตาด้านหูด้านจมูกด้านลิ้นด้านกายตลอดถึงด้านจิตใจเสียอง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 ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องไกรกรองในจิ่ตทั้งหลายที่มาสัมผัสนั้นนี่แหละเรียกว่าโรคภายในจิตจะกำเริบตอนนี้เมื่อกำเริบเต็มที่แล้วทนไม่ไหวเพศก็ต้องแตกเช่นเดียวกับร่างกายแตกเพศแตกได้จากทนไม่ไหวหนึ่งทำความเสียหายในเพศของตนเองสองทนไม่ไหวก็สิด มีด อ, องประเทศที่นี้การที่เราหาอยู่ที่วิเวกสังัดก็เพื่อจะหลบปลีกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะกำลังของเรายัางไม่เพียงพอหนึง่งแล้วก็เป็นแนวทางของนักปราดท่านดำเนินอย่างนั้นหน่เมื่อเราเป็นผู้ไม่มีกำลัง และจะหาที่สุ้มซรประกอบความภาคความเพียรเพื่อให้เป็นความสะดวกในการรักษาจิตใจของเราเราจึงจำเป็นต้องสแสวงหาที่สงัดสีเวย่ยเมื่อไม่มีของสแสลงคือรูปเสียงตินนสดาสัมผัสกับตาหูจมูกยิ้นกายสลอดใจของเราอยู่ได้เรื่อย พยายามบำรุงจิตใจของเราเรียกว่าหายามมาพอกแผลของเราซึ่งเคยมีอยู่แล้วให้ค่อยหายไปแล้วพยายามกักกันสิ่งที่เป็นของแสลงไม่ให้มารบกวนพยายามรักษาแผลของเราที่มีอยู่ให้ค่อยหายไปเป็นลําดับลาดับนั่นจะเป็นไปเพื่อความสงบ วิธีการที่เราได้พยายามมาอยู่สถานที่สงัดหาอุบายประกอบความภาคความเพียรใส่ตนเองอยู่เสมอเช่นนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทจะมากระทบภายนอกพยายามปีกตัวของเราให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นก็เทียบกันได้กับบุคคลที่ระวังของสแสลง และพยายามกินดุกกินยาโรค ก, ก็จะค่อยได้ค่อยหายไปเป็นลำหนักให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าอย่างนี้เวลานี้เราเห็นว่าอะไรซึ่งเป็นภัยที่สุดขณะนั่งอยู่ใบัดนี้ก็คือเรื่องหัวใจที่เกี่ยวกับอารมณ์ มีเองที่เป็นภัยต่อเราทุกวันนินเรศ ก, ก็คือหัวใจที่สร้างสมอารมณ์มาเผาลุนตนเองโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาไม่มีปัญญาเป็นเครื่องชำระวินิจฉัยตัดสินทั้งหลายเหล่านั้นให้ห่างออกจากใจของตอนเองนี่เป็นภัยที่สุดสำหรับผู้ที่จะต้องการก้าวให้พ้นจาก สิ่งทั้งหลายเล้านี้ก็กลายเป็นผัดถ้าเป็นผู้มีปัญญามีสติระมัดระวังรักษาจิตใจของตนอยู่เสมอภัทยที่จะเกิดขึ้นตัวเหตุที่กล่าวนี้ก็น้อยและความสงบเยือกเย็นภายในใจก็เริ่มจะเกิดขึ้นเป็นลำดับ แนวทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ชำระตัวของท่านจนได้มาเป็นครูสอนเราท่านดำเนินอย่างนั้นมีความระมัดระวังตัวอยู่เหมือนกับแม่เนื้อระวงังนายรานแม้จะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ตามผลที่สุดกำลังที่จะกินลูกไม้หรืออาหารอยู่ก็ตามแม่เนื้อจะต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ตัวในพรานหรือสัตว้ายมีเสือเป็นต้นจะมาทำอันตรายแก่ตนของตนมีเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ควรทําตัวเหมือนกับแม่นี้นะ่ระวังสิ่งที่จะมาเป็นภัยต่อตนของตนมีลูกเสียงสิ่งน้เป็นต้นให้เป็นผู้มีความระมัดระวังด้วยสติอยู่ที่ไหนขอให้มีสติผู้ใดเป็นผู้ที่เริ่มหรือเป็นผู้เห็นสติ เป็นของสำคัญเห็นความเผลอของตนว่าเป็นของสำคัญอีกเช่นเดียวกันผู้นั้นและจะพยายามปรับป ร, บรุงความทั้งเผลอของตนเข้ากับสติได้แล้วจะกลายเป็นคนมีสติไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนมีสติอยู่ตลอดเวลาการรักษาสติคือการพยายามที่จะทำให้มีสติตลอดถึงให้เป็นผู้มีสติ จนเคยกินก็เช่นเดียวกันกันกบเด็กที่ฝึกขัดนั่งฝึกหัดเดินเบื้องต้นก็มีล้มลุกคุกครานเป็นธรรมดาแต่เมื่อฝึกขัดบ่อยๆและมีกําลังแข็งแรงขึ้นเด็กก็เลยกลายเป็นคนธรรมดานั่งได้ธรรมดายืนได้ธรรมดาเดินได้ธรรมดาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่มีเรื่องของสติฝึกหัดทีแรกก็ต้องมีการล้มลุกคุกครานแต่ถึงไรก็ตาม สำคัญอยุดที่การพยายามตั้งสติเสมอพยายามรักษาตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นผู้มีสติและเป็นผู้เคยชินต่อความมีสติทั้งตน้นอะไรมาสัมผัสสติก็รับรู้ทันทีนี่เพราะความเคยชินแต่ถ้าไม่เคยชินแล้วและเป็นผู้ไม่สนใจแล้วไม่ทราบทั้งวันทั้งคืน เนี่ยจิตใจจึงสั่งสมคิเดียดขึ้นในเวลาที่เผลอตัวอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายทากันท้าบไว้เมื่อเป็นผู้มีสติตั้งอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดเราจะกำหนดเพียงความรู้ความรู้จะขยับเขยื่อนหรือจะกระเพื่อมในเรื่องอะไรต้องรู้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 คนที่เป็นบ้าเป็นบออย่างเราทั้งหลายเห็นอย่างนั่นคือคนไม่มีสติคนขาดสติแล้วก็เป็นบ้าเป็นบอมีเรียกว่าขาดสติอย่างเต็มที่ก็กลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาในเราไม่เป็นคนเช่นนั้นแต่เราก็เป็นคนประเภทที่ว่าขาดสติภายในจิตใจของตนผลที่ปรากฏขึ้นก็คือความรุ่มร้อนแม้จะรู้สึกว่าตัวของตัวรุ่มร้อน ตัวองตัวไม่สบายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าสาเหตุในความรุ่มร้อนนั้นเกิดมาจากไหนน<ม>โดยที่ตนของตนเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาไม่มีใครที่จะนำทุกข์คือความรุ่มร้อนนั้นมาให้เราเราเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาแต่เราก็ไม่ทราบว่าสั่งสมด้วยเหตุใดนี่คือความไม่มีสติถ้ามีสติแล้วต้องรู้ อะไรมาสัมผัสทับความรู้สึกจะต้องรับรู้เมื่อมีสติแล้วจะก็ต้องรับรู้เข้าไปอีกว่าสิ่งที่มาสัมผัสนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกิเลสขนาดหนักหรือเบาแค่ไหนต้องทราบทันทีการพึ่งหัดสติต้องพึกงหัดยึีนี้จนกว่าว่าเรามีความชำนิชานาญ ดูที่ไหนบังคับสติทั้งตัวอยู่เสมอเราจะเห็นว่าเรื่องอันไหนจะเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าการตั้งสติของเราในอียบททั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นให้พยายามตั้งอยู่เช่นั้นจนเป็นความเคยชินหรือเป็นนิสัยนั่นแหละเราจะก้าวในทางด้านสมาธิก็ก้าวได้เร็วเราจะออกทางปัญญาก็ก็เร็ว ธรรมทิจะเหนือจากความมีสติไปไม่ได้สติเป็นเครื่องควบคุมใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องํำกับอยู่แล้วก็เช่นเดียวกับตัวโจรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่แล้วโจรคนนั้นก็กลายเป็นคนดีไป ตอนที่เขาเป็นโจรหรือเขาไปขมโมยของใครใ่นั้นตอนนั้นไม่มีใครกากับรักษาเขาเขาก็ททำความชั่วได้ในขณะนั้นใจของเราซึ่งเป็นตัวโจรภายในก็เป็นเช่นเดียวกันขณะใดที่เขามีมีสติเป็นเครื่องกากับรักษาเขาดูแล้วเขาจะทำความเสียหายขึ้นมาไม่ได้่อเมื่อเผลอนั่นแหละเขาจะทำความเสียหายขึ้น ให้เกิดความรุนร้อนภายในใจของเราได้ในขนาดนั้นทีนี้เมื่อมีสติเป็นเครื่องกากับรักษาอยู่เสมอบังคับจิตใจของตนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นค่าติดต่อตอนเองพยายามดัดแปลงจิตใจให้เข้าสู่หลักธรรมที่ตนตั้งไว้ ในาการสามจุดสองนี้เป็นหลักธรรมทั้งนั้นนิลมหายใจก็ดีพุโทโธธรรมโมสังโฆก็ดีเรียกว่าหลักธรรมสาหรับเป็นเครื่องดูดเหนียวของจิตได้ทั้งนั้นเมื่อเรามีสติแล้วเราจะบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่หลักธรรมหลักใดก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดอุบายขึ้นมาเพื่อเป็นการซักซอกจิตใจัองเราให้รับความสงบหรือเยียกเยินลงไปได้เป็นลำดับ ที่เรามีสติติดต่อเมื่อความสงบได้ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วนั่นแหละความเพียรจะเริ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งความอดทนต่อการประกอบความภาคความเพียรก็จะเริ่มขึ้นมาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาหรือในมรรคเนื้พานก็จะเริ่มปรากฏมีกําลังขึ้นมาเห็นชัดได้ภายในจิตใจของเราเอง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 นนเมื่อเวลาใจได้รับความสงบคือลงเป็นสมาธิได้แล้วในขณะเดียวกันเราก็ควรจะใช้ปัญญาไข้ควรตอนจิตของเราถอนขึ้นมาแล้วเพื่อเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาจะได้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาส ของตนของตนผูท้ที่ติดสมาธิโดยมากเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นคู่เคียงสมาธิจึงกลายเป็นทาเลือดกก่าเรื่องของปัญญาไปเสียโดยมากแท้จริงสมาธิเป็นต้นทุนเท่านั้น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 หรือในขันห้าจนกว่าว่าจิตจะมีกําลังทางด้านปัญญาพอทุ่มกวนแล้วก็เข้าพักในสมาธิอีกทาสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเหมือนกับบุคคลที่ทำงานมีการทำงานบ้างมีการพักผ่อนบ้าง มีเรียกว่าความเพียงเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอสมาธิกับปัญญาก็เป็นคู่เพียงกันไปเรียกว่าเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอเรื่องปัญญาขั้นต้นต้องอาศัยการฝึกเช่นเดียวกับฝึกใจให้เป็นสมาธิหาก้นพาทิพพาพิิพจพจารณาไกลรองดูเหตุูผล เราจะดูในทางไตรลักษณ์ก็เหมือนกันเพราะไตรลักษณ์ก็มีหลายชั้นไตรลักษณ์ชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดประเภทของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้เห็นคุณซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองแล้ว ก็ไม่เป็นการที่จะต้องบังคับบัญชายาเช่นเดียวกับจิดผู้ที่เคยได้เป็นสมาธิแล้วก็มีแต่จะเป็นสมาธิเรื่อยๆไปผู้ที่เป็นปัญญาแล้วก็จะเป็นปัญญาเรื่อยๆไปโดยไม่ต้องมีการบังคับบัญชาเมื่อถึงขั้นปัญญาละเอียดจริงๆเราอยู่ที่ไหนก็เป็นปัญญานั่ง อยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเม้นแต่หลับเท่านั้นนาเอียบ ท, ทั้งสี่จะมีความไหวอยู่ด้วยปัญญาเพราะเหตุใดเพราะริงที่จะมาสัมผัสเป็นการมาเตือนปัญญาให้มีความสะดุ้งตัวอยู่เสมอนั้นมันมีอยู่รอบด้านรูปก็จะต้องสัมผัสธ้รมาที่ใจ เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแง่จะมาทางตาทางหูทางจมูกก็จะต้องล่วงหลเข้าไปกีดใจปัญญาอยู่ที่ใจจึงต้องรับภาบพติอยู่ที่ใจจึงต้องรู้สึกตัวปัญญาจะต้องไขส่วนทันทีที่สิ่งใดๆมาสัมผัสกับจิตใจแตเนื้อให้ปุกปัญญาอยู่เสมอมีเมื่อสิงสัมผัสทั้งหลายเป็นเครื่องปุปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญาจะนอนใจได้ยังไง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 พยายามแก้ไขตนเองโดยทางปัญญาจนกว่าจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตเถรนั้นสิ่งใดที่มาสัมผัสจิตปัญญาผู้ที่รักษาที่เกิดขึ้นกับจิตจิทุกขณะหรือมีอยู่กับจิตตลอดเวลานั้นจะต้องนับทราบในสิ่งทั้งหลายอย่างนั้นไปในตัวเนี่ยที่เรียกว่าฟังธรรมทั้งกลางมันกลางฟังได้ที่จิต ในระหว่างจิตกับอารมณ์ที่มาทำ้ผัดในระหว่างจิตที่เกิดขึ้นตรุงอารมณ์ขึ้นพอกระเพื่มแพบก็จะรู้ทันทีมีวิธีการของปัญญาเดินเดินไปจนกระทั่งถึงไม่มีเวลาจิตยังกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาจะต้องไหวตัวอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีใครมาบังคับ มีปัญญาคันนี้เป็นปัญญาที่เพิิเกินผู้ที่ไม่รอบขรอบเขาอาจจะเห็นว่าปัญญานี้เลิศยิ่นกว่าทางสมาธิเป็นเหตุที่จะให้ไปอย่างแบบที่ว่าเตลเิดเปิดเปิงอีกเหมือนกันที่ถูกสมาธิก็มีคุณค่าในทางสมาธิปัญญาก็มีคุณค่าในทางปัญญาต่างก็มีคุณค่าประจำตนด้วยกันถ้าผู้มีปัญญารอบครอบในเรื่องปัญญาตนอีกครั้งหนึ่งแล้ว ผู้นั้นจะดำเนินปัญญาไปให้เป็นความสม่ำเสมอดำเนินในทางสมาธิให้เป็นความสม่ำเสมอไปอีกเช่นเดียวกันเรียกว่าไปด้วยความราบรื่สมาธิกับปัญญาเป็นผู้เคียงกันไปนี่เรียกว่าเป็นการถูกต้องและไม่ล่อแหลมต่ออันตรายด้วย ปัญญาในเมื่อได้หมุนตัวไปถึง น, นานนั้นแล้วจะไม่มีเวลาผูกมัด ต, ตัวเองมีแต่้าจะแก้ตนโดยถ่ายเดียวความเห็นโทษเห็นภัยในวัฏตสรตรงสารก็มีกำลังมากแม้ที่สุดก็คือความมาเห็นโทษในความปรุงของตนเองมาเห็นโทษในความคิด หรือในเจขงตนองนี้เป็นส่วนมากเพราะเรื่องรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสเหล่านั้นปัญญาขั้นกลางก็สามารถพอดถอนออกมาได้แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขามยินยานมีเสียงปัญญาขั้นกลางก็สามารถจะพิจารณาได้ ส่นจิตกับเจตสิก ท, ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกันนิตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานแห่งขันทั้งหลายนี้นั่นต้องเป็นปัญญาท่านละเอียดถึงจะสามารถรู้ได้เมื่อปัญญาค่านละเอียด ได้มีนิสัยในเรื่องความรู้กับอาการทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจากความรู้ที่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ซึ่งเป็นความรู้สังสมมตัตถาจักไว้รืเรียกว่าความรู้ที่เป็นอวิชาความรู้ที่เป็นมะตะัตต ได้ถูกปัญญาวินิจฉัยอยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็ทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันย่อมจะแตกกระจายออกไปไม่มีอันใดเลือเพื่ออำนาจของปัญญาขั้นละเอียดนี่แหละที่เรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดมารู้จิตที่เป็นจิตละเอียดคือหมายความว่ายอด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 หมายถึงความรู้ประเภทนี้เมื่อปัญญาได้รอบขอบเห็นชัดก็จะเห็นความรู้นี้เป็นเช่นเดียวกับสภาวธรรมอื่นๆอยู่เช่นเดียวกันไม่เห็นว่าความรู้นี้เป็นเราด้วยเป็นของเราด้วยยังเห็นอีกว่าความรู้นี้ก็เป็นภัยสำหรับหลานแล้วเราจะหาทางพิจารณาอย่างไรจึงจะเห็นชัดในความรู้นนี้ มปัญญาขั้นละเลอียดส่วนทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วคือรูปเขียนกี่น ốt เครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นตายหรือรูปเบญนาปัญญา้งสารวิญญาณนี่เป็นส่วนหนึ่งดังไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าความรู้ซึ่งเป็นเจ้าตัวการของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อความรู้อันนี้ได้ถูกปัญญาขั้นละเอียดเช่นเดียว ก, กันกับความรู้ที่เป็นความรู้อันละเอียดนี้ไม่รู้เท่าทันกันแล้วความรู้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ดับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความรู้ประเภทนี้จัดเป็นไตรลักษ์ได้แต่เป็นไตรลักขั้นละเอียดที่สุดพอธรรมชาติที่จดับไปเท่านั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นั่นก็ ก็ยึดติดกันได้เหมือนกันเพราหมดสิ่งที่จะพิจารณาหมดสิ่งที่จะแก้ไขไม่ทราบจะแก้ไขอีกอะไรอีกสิ่งที่คล้องอยู่ในหัวใจก็มีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นอาการที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินี้ได้แก่พวกเวทนาทัญญาทังขารมิญญาณทัดเที่ยวถึงต้นไม้พอเป็นเหมือนกับวัชพินก้านสาขาไม่ใช่เป็นของสำคัญเหมือนกับร า, ากแก้วรากห้อยของต้นไม้ อันนี้ถ้าพูดถึงาลากก็าจริงๆลากของวัตถจักรถ้าพูดถึงยอดก็ยอดของวัตจักรเพราะเป็นความรู้ที่ละเอียดที่สุดเมื่อความรู้ที่เป็นยอดของอภิชานี้ดับลงไปเท่านั้นเราจริง จะได้ตดเครื่องรบของนราเรียกว่าเราได้ชัชนะแล้วเครื่องรบคืออะไรศีลก็เป็นเครื่องมือสนาดสมาธิก็เป็นเครื่องมือขนาดนี้ปัญญาก็เป็นเครื่องมือขนาดนี้เรียกว่าสมาธิเราก็พักผ่อนไปได้อย่างสบายโดยไม่กลัวว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นจากการพักในสมาธิ ปัญญาแล้วก็พินิจพิจารณาได้อย่างสบายโดยไม่ต้องคิดว่าจะเป็นการโลดโผนในทางปัญญาหรือว่าจะเป็นความที่หายอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการเดินปัญญาว่าจะมากไปลรืน้อยไปอย่างนี้จะไม่มีสี่สมาธิปัญญาได้รวมเข้าอยู่ในหวัวใจอันเดียวหมดหวัวใจที่บริสุทธันั้น ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้คืออะไรจริงได้กล่าวเพิ่มเว่าวิชาเป็นยอดของวัตจักรเมื่อวิชาซึ่งเป็นเครื่อง<ม>ปกคลุมหุ่หอธรรมชาติที่แท้จริงไว้ได้สลายตัวไปแล้วธรรมชาติที่แท้จริงก็ยังมีปัญหาจะอะไรจะพูดแล้ว<ม>นั่นเนีลยท่านเรียกว่าทรรมตายตัวเรียกว่าทรรหมดอีกหมดผล หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรจะเข้าไปถึงทราบเลยลในธรรมชาตินี่ผลแห่งการปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่การฝึกผลอบรมเบื้องตน้นกดถี่บังคับจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อความกระหายต่อความภาคความเพียรนับแต่บริหารทั้งแต่ที่อธิบายมาตั้งแต่เบื้องตน้น เป็นอุปกรณ์ทุกๆชิ้นที่จะให้ก้าวเข้าสู่ชทยชนะที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่าธรรมชาติที่ตายตัวพระพุทธเจ้าท่านก็ก้าวมาอย่างนี้มาด้วยความลำบากลำบนสามวกก็เช่นเดียวกันพยายามอย่างนั้นเอาชีวิตเข่าแหลกเราจะเอาอะไรเข่าแหลกหรอ ถ้าจะเอาความขี้เกียจที่ค้านความมักง่ายความทอดแท้อ่อนแอเข้าแลกผลที่จะได้จากการแลกของเหล่านั้นคือวัตจักรตัวทุกข์ที่จะมาผันทิฏฐะของเราอีกต่อไปถ้าเราเอาแบบพระพุติเจ้า มาเป็นเครื่องกำกับหรือมาเป็นเครื่องดำเนินของเราแล้วเราจะเป็นไปข้อความสุสิ้นจากการเสืยตายซ้ำๆสักๆทุกซ้ำๆสักๆเราจะได้ตัดปัญหาเหล่านี้ออกให้สิ้นโดยประจักษ์กับใจของเรา ไม่มีอันใดที่จะมาติดต่อกับจิตใจของเราได้อีกแล้วเรียกว่าจิต น, นี้ได้ปราศจากการต้อนรับแขกแล้วแขกที่อาหลบที่เคยเป็นมิตรเป็นสหายเคยเกิดเคยตายเคยทุกขเคยยากลำบากซ่ำๆซากๆมาแล้วไม <ogue> ่เหล่า <selbst> นั้นได้พรากจากจิตอวงนี้ไปแล้วตั้งแต่วันอวิชชาได้ดับไป มีผลแห่งการปฏิบัติด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจเริ่มตั้งแต่ความสงหน้าที่เล่ความมักน้อยสันโดษความไม่เห็นแก่ปากแก่พ้องความกล้าหาญต่อความภาคความเพียรพยายามตั้งสติอยู่ตลอดเยนหลับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกยากในความเพียรซึ่งเราทํามานั่น เป็นเครื่องตอบแทนเราด้วยความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานต่างหลายซึ่งเป็นเครื่องกดทั่วงน้ําใจของเรามาเป็นเวลานากเราจะได้สิ้นสุดลงในขณะที่อวิชชาดับไปนั้นคามาปัจจตังเรดิตะโบวินุหิตพระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศเอาไว้นั้นเพื่อใครเพื่อผู้ปฏิบัติเป็นสุ ปฏิปุจุปฏิญาญาเนีสามิตินั่นเองจะเป็นเครื่องตัดสินใจของตัวเองขึ้นมาขอให้ท่านทั้งหลายได้พากันมีความห้าวหาหลือกระหารต่อการชำระค่าศึกซึ่มีอยู่กับตัวของเราเราจะเอาความสุขในการแมน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 ให้เราเทียบเทียงตัวของเราเสมอในเมื่อความ ท, ที่เกียจคิดค้ารเกิดขึ้นความ ท, ที่เกียจคิดค้านี้ถ้าลงได้เข้าครองหัวใจของไข่แล้วเพิ่งทราบว่าเขาจะไปทํา ง, งานอะไรก็าตามจะไม่สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้เพราะความ ท, ที่เกียจคิดค้านี้เป็นตัวทําลายทาลายทั้งกิจการทางโลกทําลายทั้งกิจการทางธรรม แม้เราทำความภาคความเพียรอยู่ถ้าความขี้เกียจขี้ค้านได้เข้าไปครองในคู่เดียวเท่านั้นเองความเพียรต้องล้มละลายไปทันทีเราจะเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านเป็นของดีพอที่เราจะเอามาไว้บนศีรษะคือหัวใจของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพราะความขี้เกียจขี่ค้านสาวกทั้งหลายไม่ได้พ้นจากทุกข์เพราะความขี้เกียจขี้คร้านความพ่ อ, ทอแท้อ่อนแอให้เราทั้งหลายได้ทราบมาอย่างนี้เป็นเครื่องบังคับหรือเป็นเครื่อง สาดุดหัวใจของเราอยู่เสมอว่านี้คือตัวภัยอย่างเอกความกล้าหารต่อความดีความรื่นเลิงต่อคุณงามความดีความพออกพอใจต่อศีลสมาธิปัญญาที่ตนจะพึาเนนไปไปเพื่อความแก้ทุกข์ซึ่งมีอยู่หัวใจของเราให้ถึงยมุพทพโถนั้นให้ถือว่าเป็นของเลือดเปิดเิย อันนี้ได้แสดงทรรมะเทศนาตั้งแต่ต้นคือกายวิเวกจนกระทั่งถึงจิตวิเวกหรืออุปทิวิเวกความสงังหักจากกิเลสทั้งหลายความหมดเชื้อเชื่อแห่งกิเลสหมดไปแล้วชาติแั่นความเกิดก็ไม่มีนะอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังจนสุดขีดความสามารถเท่าที่ได้ปฏิบัติและรู้สึกเป็นอย่างไรขึ้นมาในตนที่ตนเ แสดงให้ท่านทนายฟังทั้งตัวเหตุคือกรารประกอบทั้งตัวผลคือเป็นอย่างไรบ้างที่ ท, าทา่านทงหลายได้ฟังลำบากนี้ถึงไม่จําเป็นจะต้องติดกราฤตีเบอร์เหมือนอย่างเบอร์ในร้อยในพันแสดงจากกังเหตุกับผลความสุขความทุกข์หรือความพ้นจากธรรมชาติมุ่นเย็นได้แจกตัววิชาแล้ว จากนั่นไปคืออะไรนั่นเป็นสิ่งที่เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อถึงจุดแล้วจะทราบได้โดยกันทุกคนโดยไม่ต้องถามใครแม้สาวกทั้งหลายซึ่งไม่เคยรู้มาก็ตามเมื่อได้รู้ขึ้นภายในตนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องประทูนถามพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์เจ้าเป็นศาสดาดูทายเดียวตาบเทือหนาววันนี้ก็เห็นว่าพอสมควร เป็นข้อยุติเลยเพียงเท่านี้